เ <c oughs> จริญพรท่านผู้มีจิตเมตตากรุณาใจบุญใจกุศล ท, ทุกท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่ห้าเมษายนพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดเป็นวันที่ท่านทั้งหลายมีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆจึงได้ตั้งใจมาว่า เพื่อมาทำบุญเพื่อมาสร้างความสุขสร้างความเจริญให้แก่ชีวิตจิตใจวันนี้พวกเราจะนอฆ่ากันแต่การค่านี้จะไม่เป็นบาคจะเป็นบุญเพราะสิ่งที่เราค่านี้มันเป็นพิษมันเป็นภัยมันเป็นอันตรายต่อความสุขของเรานั่นเอง พระพุทธเจ้าได้ฆ่ามันมาแล้วพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายได้ฆ่ามันมาแล้วจึงได้เป็นพระพุทธเจ้าได้เป็นพระอาหารหันตสาวกกันถ้าพวกเราอยากจะได้ความสุขอยากจะได้หลุดพ้นจากความทุกข์อยากจะได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์กันพวกเราก็ต้องฆ่าสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัย แก่จิตใจของพวกเราสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยก็คือกิเลสตัณหาเนี่วันนี้พวกเราจะมาฆ่ากิเลสคือความโลภความโกรธความหลงกันมาฆ่าความอยากกันตัณหาความอยากอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์อยากมีอยากเป็นอยากไม่มีอยากไม่เป็นเช่นมาฆ่าความอยากร่ำอยากรวยกัน อย่าไปอยากรวยเพราะรวยแล้วทำให้เราทุกข์กันอยากจนจะดีกว่าอยากจนแล้วจะไม่ทุกข์เพราะมันง่ายกว่าอยากรวยอยากรวยนี่มันยากมันทำให้เราต้องวุ่นวายแต่ถ้าอยากจนนี่มันสบายเพราะอยู่เฉยๆมันก็จนได้แล้วไม่ต้องทำอะไรอย่างมาเป็นพระนี่ก็มาเป็นคนยากจน พระัุทธเจ้าสอนวิธีที่จะทําให้เรามีความสุดก็ดคือต้องฆ่าความอยากร่ำอยากรวยอยากเป็นใหญ่อยากเป็นโตอยากมีหน้ามีตาอยากให้คนยกย่องสรรเสริญเยินยอความอยากเหล่านี้ถ้ามีอยู่ในใจของเราแล้วมันจะทําให้ใจของเราวุ่นวายทาให้ใจเราทุกข์ เวลาใครไม่สรรเสริญไม่ยกย่องเราเราก็เสียใจเวลาโดนใครเขาดา่าเขาว่าก็โกรธแต่ถ้าเราฆ่าตัวนี้ได้แล้วเราจะสบายใครจะว่าอย่างไรเราจะไม่เดือดร้อนใครจะชมเราก็ไม่เดือดร้อนใครจะด่าว่ากล่าวอย่างไรเราก็จะไม่เดือดร้อน นี่แหละคือสิ่งที่พวกเราต้องฆ่ากันสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเราพยายามฆ่ากันอยู่เรื่อยๆก็คือความโลภนี่เองโลภอยากได้สิ่งนั้นโลภอยากได้สิ่งนี้โดยที่ไม่รู้ว่าได้มาแล้วจะทำให้เราสุขหรือทุกข์กันแน่พอได้มาแล้วถึงจะรู้ว่าต้องทุกข์กับสิ่งที่เราได้มา พ อ, พอได้มาเราก็จะรักจะหวงถ้าหายไปเราก็เสีย อ, อกเสียใจถ้าไม่มีเราก็จะไม่ต้องมาเสีย อ, อกเสียใจไม่ต้องมาวิตกมากังวลกับสิ่งต่างๆที่เรามีอยู่ดังนั้นถ้าเราอยากจะฆ่ากิเลสความโลภความโกลความหลงพระพุทธเจ้าบอกว่าเราต้อง มีความมักน้อยสันโดษคือแทนที่จะมักมากอยากได้มากๆ ก, ก็อยากได้น้อยๆได้พอประทังชีพก็พออย่างที่ในหลวงทรงตัดไว้ว่าเศรษฐกิจพอเพียงเอาพออยู่ได้ก็พอแล้วพอไม่ตายก็พอแล้วเพราะถ้าอยากแล้วมันจะวุ่นวายใจมันจะอยู่ไม่เป็นสุข ต้องวิ่งไปหานั่นหานี่หามาได้เท่าไหร่ก็ไม่พอเพราะความอยากมันจะขยายตัวไปเรื่อยๆเวลาได้ครึ่งมาแล้วก็อยากจะได้สองได้สองก็อยากจะได้วาอยากจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเป็ น, นเป็นพลทหารก็อยากจะเป็นในสิบพอได้ในสิบก็อยากจะได้ในร้อยอยากเป็นในร้อย พอเป็นนายร้อยก็อยากจะเป็นนายพันเป็นนายพันก็อยากจะเป็นนายพลเป็นเท่าไหร่ก็ไม่มีความอิ่มความพอเหมือนกับตอนเป็นผลทหารจิตใจไม่ต่างกันเลยเวลาเป็นคนทหารกับเวลาเป็นนายพนเพราะจิตก็ยังอยากอยู่อย่างนั้นยังโลภอยู่อย่างนั้นได้เท่าไหร่ก็ไม่มีวันหมดความโลภไม่ได้หมดด้วย การกระทำตามความโลภความโลภมันจะหมดด้วยการฝืนไม่ทำตามความโลภด้วยการใช้ความมากน้อยสันโดษมากน้อยก็คือดูว่าเราต้องมีเท่าไหร่พอที่จะให้เราอยู่ได้เช่นมีเสื้อผ้าสักกี่ชุดถึงจะอยู่ได้มีสักสองสามชุดนี้ก็พอจะอยู่ได้แล้ว มีชุดหนึ่งไว้ใส่มีชุดหนึ่งไว้ซักมีชุดหนึ่งไว้เผื่อสำรองเอาไว้เผื่อซับร้ดไม่แห้งจะได้มีชุดสำรองใสเนี่ยมีเพียงสามชุดก็พอพระพุทธเจ้าสอนให้พระมีไตจีวรมีผ้าสามผืนกพ็พอผ้านี้มีไว้เพื่อนุ่หงห่มปกปิดร่างกายเท่านั้นเองปกป้องร่างกายจาก อากาศหนาวเย็นป้องร่างกายจากแมลงสัตว์กัดต่อยต่างๆถ้าเรามีเสื้อผ้าไว้สวมใส่ก็พอแล้วไม่จาเป็นจะต้องมีเต็มตู้ไม่ต้องมีสองสามตู้แล้วก็ไม่ต้องมีราคาแพงๆเพราะเสื้อผ้าราคาแพงๆกับเสื้อผ้าราคาถูกๆมันก็ทำหน้าที่เหมือนกันมันเป็น เครื่องนุ่งห่มเอาไว้สำหรับดูแลรักษาร่างกายไม่ให้เจ็บไข้ได้ป่วยและไม่ให้ดูอุจจาดตาถ้าคนไม่มีเสื้อผ้าใส่เดินออกไปในที่สาธารณะคนก็จะดูแล้วจะสมเพศเวทนาก็ควรมีเสื้อผ้าไว้สวมใส่แต่เราควรจะสวมใส่ พอประมาณอย่าไปมีมากอย่าไปอยากได้มากมกเพราะมันจะทาให้เราต้องเหนื่อยเพราะว่าของต่างๆนี้มันไม่เหมือนฝนฟ้าที่มันตกลงมาได้เองของที่เราอยากได้นี้เราต้องเหน็ดเหนื่อยกับการไปหาเงินหาทองแล้วก็อาจจะต้องไปเสี่ยงกับการทำบาปทำกรรม เวลาเราอยากได้อะไรแล้วไม่สามารถหามาได้ด้วยวิธีที่ไม่ทำบาปเราก็จะทำบาปเพราะเราอยากได้เช่นอยากได้อะไรไม่มีเงินซื้อมาไม่มีปัญญาหาเงินมาก็ต้องไปลักขโมยคนที่ลักขโมยก็เพราะว่าเขามีความโลภความอยาก ได้สิ่งนั้นสิ่งนี้แต่เขาไม่มีปัญญาความสามารถที่จะหาเงินหาทอพอเขาไปทำบาปไปรักขโมยไม่ช้าก็เร็วเขาก็จะถูกจับไปลงโทษต้องไปติดคุกติดตารางถ้าไม่มีความโลภอยากได้ในสิ่งที่เราไม่สามารถหามาได้ด้วยความสุดจริญไม่ต้องทำบาป เราก็จะไม่ไปติดคุกติดตารางนอกจากติดคุกติดตารางแล้วเวลาตายไปใจของเราที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายก็ต้องไปติดคุกติดตารางในอบายต่อต้องไปเกิดเป็นเดรัจฉานบ้างไปเกิดเป็นเปรตบ้างไปเกิดเป็นอสูรกายบ้างไปตกนรกบ้างนี่คือคุกตาราง ของผู้ที่ทำบาปไม่ใช่แต่เฉพาะคุบตารางในโลกนี้เท่านั้นติดคุบในโลกนี้ออกมาแล้วพอตายไปยังต้องไปติดคุบในอบายต่ออีกเพราะนี่เป็นกฎแห่งกรรมจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามเมื่อทำไปแล้วก็จะมีผลตามมาเช่นเราปลูกต้นไม้เราจะเชื่อหรือไม่ว่าต้นไม้นี้จะออก ผลชนิดนั้นชนิดนี้ให้กับเรามันก็ไม่สําคัญพอปลูกต้นไม้ไปแล้วพอต้นไม้มันใหญ่โตถึงเวลาให้มันออกผลมันก็จะออกผลขึ้นมาการกระทาของเราไม่ว่าจะเป็นการกระทาบุญหรือการกระทาบาปก็มีผลตามมาจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ไม่สามารถที่จะยับยั้งผลที่จะตามมา จากการกระทำของเราได้นี่คือสิ่งที่เราควรที่จะศึกษาทำความเข้าใจเพื่อที่เราจะได้หลีกเลี่ยงผลที่เราไม่ปรารถนากันพวกเราไม่อยากจะมีความทุกข์กันไม่อยากจะมีความเดือดเนื้อร้อนใจกันแต่การกระทำของเรานี่แหละเป็นการทำให้เราทุกข์กัน เป็นการทำให้เราเดือดร้อนกันการกระทำตามความโลภตามความโกรธตามความหลงนี่แหละที่เป็นเหตุที่ทำให้เราวุ่นวายใจกันเดือดเนื้อร้อนใจกันกินไม่ได้นอนไม่หลับกันถ้าเราไม่ทำตามความโลภความโกรธความหลงเราจะไม่วุ่นวายใจเราจะไม่ทุกข์ใจกันนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้า ได้ทรงตัดสรู้ได้ทรงค้นพบว่าความสุขความทุกข์ของเราอยู่ที่ความโลภความโกรธความหลงของเราถ้าเรามีความโลภความโกรธความหลงเราก็จะมีความทุกข์ถ้าเราไม่มีความโลภความโกรธความหลงเราก็จะไม่มีความทุกข์จะมีแต่ความสุขดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้พวกเรา มาฆ่ากิเลสกันฆ่าความโลภฆ่าความโกรธฆ่าความหลงกันด้วยความมักน้อยสันโดยด้วยปัญญาเช่นเวลาเราอยากได้อะไรก็ให้ถามว่าสิ่งที่เราอยากได้นี้จำเป็นหรือไม่ถ้าไม่จำเป็นคือถ้าไม่ได้มาแล้วไม่ตายก็ถือว่าไม่จำเป็นถ้าไม่จำเป็นก็อย่าเอามาดีกว่า เพราะว่าเอามาเท่าไหร่ก็จะไม่พอได้มาแล้วก็อยากจะได้มาอีกแล้วอยากจะได้เพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆแต่ใจของเราก็ไม่ได้มีความสุขมากขึ้นมาหรือมีความทุกข์น้อยลงไปเพราะความโลภมันไม่ได้หมดไปกับสิ่งที่เราได้มาเราได้อะไรมามากน้อยเพียงไรแทนที่ความโลภจะหมด แทนที่จะมีความพอมันกลับไม่พอกลับอยากได้เพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆดังนั้นถ้าเราอยากจะหยุดความโลภเราต้องใช้เหตุผลว่าสิ่งที่เราอยากได้นี้มันจำเป็นต่อการดำรงชีพของเราหรือไม่ถ้าเราไม่ได้มาแล้วเราจะตายหรือไม่ถ้าเราจะตายเราก็ต้องเอามาถ้าเอามาเพราะความจำเป็นนี้ มันไม่เป็นความโลภมันเป็นความจําเป็นมันจะไม่ทำให้เราทุกข์ใจแต่ถ้าเอามากเกินความจําเป็นถึงจะเรียกว่าเป็นความโลภเช่นเราต้องมีเสื้อผ้าไว้ใส่สามชุดแต่เราอยากได้มากกว่าสามชุดอยากจะได้สี่ชุดห้าชุดอย่างนี้เรียกว่าเป็นความโลภเพราะว่ามันเกินความจําเป็น ถ้าเราใช่เหตุใช้ผลเราจะสามารถหยุดความโลภได้ถ้าเราไม่ใช้เหตุใช้ผลใช้อารมณ์เวลาเห็นอะไรเราชอบ mm. ก็เกิดความโลภอยากได้ขึ้นมาพอเราได้มาแล้วแทนที่ความโลภมันจะหายไปมันกลับมีเพิ่มขึ้นมาใหม่เดี๋ยวเห็นของใหม่ก็อยากได้ขึ้นมาอีก เนี่ยตั้งแต่เราเกิดมาเนี่ยเราได้อะไรมามากน้อยเพียงไรแล้วแล้วความโลภมันหายไปหรือเปล่าถ้าความโลภไม่หายความทุกข์มันก็จะไม่หายเพราะความทุกข์นี้เกิดจากความโลภความโกรธก็เกิดจากความโลภเวลาโลภอยากได้อะไรแล้วไม่ได้ดังใจอยากก็เกิดความโกรธขึ้นมา โกรคนที่เขาไม่ตอบสนองความอยากของเราอยากให้เขาทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้กับเราพอเขาไม่ทำให้เราเราก็โกรธเขาแทนที่จะรักเขาเรากลับไปโกรธเขาทาั้งที่เขาเป็นคนที่เรารักแต่พอเขาทำอะไรไม่ถูกใจเราเราก็โกรธเขาแล้วแต่ถ้าเราไม่มีความโลภเรามีสันโดษคือ ความยินดีตามมีตามเกิดเขาทำอะไรก็ได้ทำอย่างนี้ก็ได้ทำอย่างนั้นก็ได้เราก็จะไม่โกรธเขาเช่นเขาทำกับข้าวอย่างนี้มาให้เรากินเราก็กินไปเราก็จะไม่โกรธแต่ถ้าเราอยากจะกินกับข้าวอย่างนั้นแล้วเขาทำกับข้าวอย่างนี้มาให้เรากินเราก็จะโกรธเขาแทนที่เราจะรักคนที่เรารัก เรากลับต้องไปโกรธคนที่เรารักถ้าเราอยากจะรักคนที่เรารักเราต้องหัดทําใจให้ยินดีตามมีตามเกิดยินดีตามที่เขาทํายินดีตามที่เขาพูดเขาจะพูดอย่างไรก็ยินดีเขาจะชมเราก็ยินดีเขาจะด่าเราเราก็ยินดีให้คิดว่ามันเป็นเสียงของเขาเราไปห้ามเขาไม่ได้ เสียงมันก็เป็นแค่เสียงมันไม่สามารถที่จะมาทำร้ายร่างกายของเราได้เราฟังแล้วเราก็ปล่อยวางอย่าไปยึดอย่าไปติดอย่าไปมีความโลภให้เขาพูดดีเพราะถ้ามีความโลภให้เขาพูดดีแล้วเขาไม่พูดดีเขาพูดไม่ดีเราก็จะโกรธเราจะเสียใจแล้วแทนที่เราจะรักเขาเราก็จะเกลียดเขา แล้วต่อไปเราอาจจะไม่สามารถอยู่ร่วมกันได้เหตุผลที่คนที่อยู่ร่วมกันแล้วต้องแยกทางกันก็เพราะว่าต่างคนต่างมีความโลภต่างคนต่างอยากให้คู่ครองของตนทำตามใจทำตามความโลภของตนพอเขาไม่สามารถทำตามความโลภของตนได้ก็ไม่พอใจ แล้วนะถ้าสะสมไปเรื่อยๆอยู่ไปก็จะไม่มีความทุกข์นี่แหละความทุกข์มันเกิดจากความโลภของเราเองถ้าเราไม่มีความโลภนี้เราจะไม่ทุกข์กับการกระทําของคนอื่นคนอื่นเขาจะพูดอะไรเขาจะทำอะไรนี่เราจะรู้สึกเฉยๆเพราะเราไม่ได้มีความโลภอยากให้เขาทําอย่างนั้นทําอย่างนี้ คนที่เราไม่รู้จักนี้เรามักจะไม่ค่อยโกรธไม่ค่อยเกลียดเขาเหมือนกับคนที่เราอยู่ใกล้กันคนที่อยู่ร่วมกันนี้มักจะโกรธกันง่ายเกลียดกันง่า ย, เ, ายเพราะเรามีความโลภอยากให้เขาทําตามใจเรานั่นเองแต่คนที่เราไม่รู้จักนี้เราไม่มีความโลภให้เขาทําอย่างนั้นทําอย่างนี้อย่างญาติโยมที่มานั่งอยู่ในศาลานี้ไม่ค่อยโกรธไม่ค่อยเกลียดกัน เพราะว่าเราไม่มีความโลภอยากให้เขาทําอย่างนั้นทําอย่างนี้เขาจะทําอย่างไรเราก็รับได้นี่แหละความทุกข์เกิดจากความโลภของเราเกิดจากความโกรธของเราและความโลภความโกรธก็เกิดจากความหลงของเราเนี่ความหลงที่ไปคิดว่าถ้าทําตามใจทําตามความโลภได้แล้วจะมีความสุข แต่หารู้ไหมว่าเป็นการสร้างความทุกข์ให้กับใจความสุขที่เราได้รับจากการทาความโลภนี้<ม>ก็เป็นความสุขเดียวเดียวเป็นความสุขชั่วคราวเวลาเราโลภอยากได้อะไรพอเราได้มาเราก็ดี อ, อกดีใจแล้วพอสักพักหนึ่งความดี อ, อกดีใจนั่นก็หายไปแล้วก็มีแต่ความทุกข์ความกังวลใจตามมาเพราะเรา ได้อะไรมาเราก็จะรักจะหวงแล้วถ้าเกิดมันต้องจากเราไปเราก็จะเสียอกเสียใจนี่คือความหลงที่เราไม่รู้ว่าการทำตามความโลภนี้เป็นการสร้างความทุกข์ให้กับเราวิธีที่จะแก้ความหลงก็คือต้องศึกษาต้องฟังเทศฟังธรรมฟังคำสอนของพระพุทธเจ้า ดูพระพุทธเจ้าดูพระอาหารหันตสาวกเป็นตัวอย่างท่านก่อนที่ท่านจะเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระอาหารหันตสาวกท่านก็เป็นเหมือนพวกเรามีความโลภมีความโกรธมีความหลงเหมือนพวกเราแต่หลังจากที่ท่านได้พิจารณาท่านก็เห็นว่าต้องกำจัดความโลภความโกรธความหลงท่านก็เลยกำจัดด้วยการเสียสละ มีทรัพสมบัติเข้าของเงินทองอะไรก็สละไปหมดไม่โลภไม่อยากได้ไม่อยากมีมีไว้เท่าที่พอที่จะยังชีพได้ก็พ อ, อเช่นต่อไปบวชก็มีบาตรอยู่ใบหนึ่งมีผ้าอยู่สามผืนมีใบมีดโกนมีเข็มกระไดไว้ซ่อมเย็บผ้าจีวรมีที่กรองนง้ำ แล้วก็มีเข็มขัดรัดเอวแค่นี้ก็พอแล้วสำหรับการอยู่ของผู้ที่ไม่มีความโลภท่านอยู่กันแบบนี้อาหารการกินท่านก็กินตามมีตามเกิดไม่ได้จู้จี้จุกจิกว่าจะต้องกินอาหารอย่างนั้นอาหารอย่างนี้กินอาหารเหมือนกับกินยายานี้เวลาหมอให้พวกเรามากิน เราไม่เลือกใช่ไหมว่าต้องเอาสีนั้นสีนี้เอารูปร่างอย่างนั้นรูปร่างอย่างนี้หมอให้ยาแบบไหนมากินเราก็กินไปกินเพื่อรักษาโรคภัยไข้เจ็บให้ร่างกายอยู่เป็นปกติสุขก็พอแล้วการกินอาหารแบบไม่โลภ ก, ก็ต้องกินแบบนี้กินเพื่ออยู่ไม่ได้อยู่เพื่อกินกินตามมีตามเกิด มีอะไรก็ได้กินไปแล้วทำให้ร่างกายมันอิ่มดับความหิวได้ก็พอแล้วนี่แหละคือการอยู่แบบสันโดษถ้าเราอยากจะมีความสุขเราต้องอยู่แบบไม่โลภเราต้องอยู่แบบพระพุทธเจ้าอยู่แบบพระอาหารหันตาสาวกพระพุทธเจ้าไม่มีขราวราดใหญ่โตไม่มีรถเก๋งให้ขี่ ไม่มีเงินใช้แต่ท่านกลับมีความสุขมากกว่าพวกเราพระพุทธเจ้านี้มีบารมีสุขปรามังสุขขงังบารมีสุขเกิดจากอะไรก็เกิดจากการไม่มีความโลภความโกรธความหลงนีง่ถ้าพวกเราอยากจะมีความสุขแบบพระพุทธเจ้ามีความสุขแบบพระอรหันตสาวกเราก็ต้อง ทำเหมือนพระพุทธเจ้าทำเหมือนพระอาหารหันตสาลุเราต้องอยู่แบบคนจนอยู่อย่าอยู่แบบคนรวยอยู่อยู่แบบคนรวยนี่วุ่นวายจะต้องคอยหาเงินมาอยู่เรื่อยๆถึงจะอยู่แบบคนรวยได้ถ้าอยู่แบบคนจนนี้ก็อยู่แบบสบายๆหากินไปตามมีตามเกิดเป็นชาวนาชาวไร่เขาก็ อยู่ได้มีความสุขได้ปลูกผักปลูกพืชกินเองปลูกข้าวกินเองไปตามมีตามเกิดแต่ใจไม่วุ่นวายใจไม่เดือดร้อนใจมีความสุขแล้วถ้าอยากจะทําลายความโลภให้หมดไปก็ต้องมาทําใจให้สงบใจสงบแล้วความโลภความโกรธความหลงมันก็จะสงบตัวลงชั่วคราว พอออกจากความสงบมามันก็จะเริ่มหลงใหม่เริ่มโลภเริ่มโกรธใหม่ก็ต้องใช้ปัญญามาสอนใจอยู่เรื่อยๆสอนว่าการทําตามความโลภเป็นการสร้างความทุกข์ให้กับใจไม่ใช่เป็นการดับความทุกข์ภายในใจการดับความทุกข์ภายในใจต้องดับด้วยการไม่ทําความโลภพอมีปัญญาสอนใจใจก็จะหยุดความโลภได้ หยุดความโกรธได้หยุดความหลงได้พอไม่มีความโลภไม่มีความโกรธไม่มีความหลงใจก็จะไม่มีความทุกข์ความทุกข์ไม่ได้เกิดจากความอดอยากขาดแคลนความทุกข์ไม่ได้เกิดจากการที่ถูกคนอื่นตำหนิว่ากล่าวตีเตียนความทุกข์ไม่ได้เกิดจากการสูญเสียสิ่งนั้นสิ่งนี้ไปแต่ความทุกข์เกิดจากความโลภ ที่อยากจะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่อยากจะสูญเสียสิ่งนั้นสิ่งนี้ความทุกข์เกิดจากความอยากให้คนชมพูดสรรเสริญยกย่องเยินยอไม่อยากให้คนตนําหนิติเตียนว่ากล่าวตักเตือนหรือข้อร้าหนิงถามีความทุกข์มันเกิดจากจากความโลภความโกรธความหลง ไม่ได้เกิดจากการเจริญหรือเสื่อมของลาบยศสารเสริญสุขความเจริญหรือเสื่อมของลาบยศสารเสริญสุขนี้เป็นเหตุการณ์ธรรมดาที่คนเราในโลกนี้จะต้องเจอกันมีเจริญลาบมีเสื่อมลาบมีเจริญยศมีเสื่อมยศมีเจริญสารเสริญมีเสื่อมสารเสริญคือมีนินทามีเจริญสุข แล้วก็มีเจริญทุกขนะ์เป็นเรื่องปกติแต่คนที่ไม่มีความโลภ ก, กับราบยศเสริญสุดจะไม่เดือดร้อนจะไม่วุ่นวายไปกับการเจริญหรือกับการเสรื่อมของราบยศเสริญสุดนะเพราะว่าไม่มีความโลภรวยรวยก็ได้จนก็ได้เป็นใหญ่เป็นเตอร์ก็ได้เป็นผู้น้อยก็ได้ ให้คนเขาด่าก็ได้ให้คนเขาชมก็ได้มีความสุขก็ได้มีความทุกข์ก็ได้ไม่เดือดร้อนอะไรคือยินดีตามสภาพยินดีตามมีตามเกิดถ้ามีความยินดีมีความมักน้อยมีสันโดษใจจะไม่ทุกข์กับเหตุการณ์ต่างๆนี่แหละคือใจที่พระเจ้าสอนให้พวกเรามาทำกัน ทำใจให้เป็นใจที่ปราศจากความโลภความโกรธความหลงแล้วเราจะมีความสุขตลอดเวลาไม่ว่าจะร่ำรวยหรือยากจนไม่ว่าจะเป็นใหญ่หรือไม่เป็นใหญ่ไม่ว่าจะมีคนยกย่องสรรเสริญเยินยอหรือมีคนข้ารหนินทาจะไม่เดือดร้อนจะรู้สึกเฉยเฉยเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดานี่แหละคือการดับความทุกข์ใจ ที่พวกเราควรจะมาทำกันอย่าดับความทุกข์ใจด้วยการหาเงินหาทองเพื่อจะไปซื้อความสุขต่างๆซื้อสิ่งนั้นสิ่งนี้มันดับได้เดี๋ยวเดียวแล้วเดี๋ยวมันก็โผล่ขึ้นมาใหม่ถ้าอยากจะดับอย่างถาวรเราต้องดับที่ต้นเหตุของความทุกข์ใจก็คือความโลภความโกรธความหลงนี้ถ้าไม่มีความโลภความโกรธความหลงแล้ว รับรองได้ว่าจะไม่มีความทุกข์เลยเพราะพระพุทธเจ้าท่านเป็นผู้ได้พิสูจน์มาแล้วได้ท่านท่านได้ทำลายความโลภความโกรธความหลงมาหมดแล้วท่านอยู่อย่างปรลมังสุขขังอยู่อย่างบรมัสุขแล้วท่านจึงนำเอามาสอนพวกเราให้พวกเราปฏิบัติกันถ้าพวกเราปฏิบัติได้พวกเราก็จะมีบรมัสุขกันได้เช่นเดียวกัน เพราะเหตุกับผลเป็นอย่างนี้มาทุกยุคทุกสมัยเหตุก็คือการชำระการกําจัดความโลภความโกรธความหลงผลก็คือการบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าบรรลุเป็นพระอาหารหันต์การบรรลุถึงบรมลัสุขเกิดจากการละความโลภความโกรธความหลงนี้เองจึงขอฝากเรื่องของการมาฆ่าความโลภความโกรธความหลงนี้ ให้ท่านได้นำเอาไปพินิษพิจารณาเพื่อความดับทุกข์และเพื่อบรมสุขที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณภรศีลัตนตรยัยและบุญกุศลที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญ ด้วยอายุมณสุขภาละโดยทั่วหน้าการเธอ